ที่ให้เกิดธรรมะที่พระเธเจ้าท่านเทศนาถึงเหตุถึงปัจจัยพระอัชเชชิเทศให้พรกษารย์ทีุ่ทธฟังเมื่อครั้งเป็นปดีภาชคเย็นกันครั้งแรกท่านไปเที่ยวบินทบาทเห็นกิริยามารยาทั้งท่าน นาชมคิดว่าท่านองนี้คงจะมีดีวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณธรรมอันวิเศษชั่สุดยิงด้อมๆไปถามเมื่อท่านกลับจะบินทบาทว่าท่านชอบใจกับธรรมะของใคร ปฏิบัติตามธรรมะของใครนจะชี้อบอกว่าชอบในสมณะโุดมธรรมะของสมณะโุดมนั้นเราชอบใจแลาเคารพนับถือสมณะอุดมนันท่านเทศนาอะไรบ้างว่าท่านเทศท่านบอกว่า เรามีความรู้น้อยไม่สามารถที่จะเทศนาควงควงให้ฟังคือท่านเห็นพระชายาพุทธถ้าเป็นอุบัติยตรภาชโชคดังนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านทอมตัวบอกว่าเรามีความรู้น้อยไม่สามารถจะแสดงทำควงควงท่านฟังได้ เอาถึงนาถึงว่าไปแสดงข่วงข่วงก็ขอแสดงยาะยาะกัแล้วกันพระธรรมนาโคดมนั้นเทศนาว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเ ม, มื่อไม่มีเหตุเหตุ ด, ดับทำทั้งหลายแล้วนั่นก็ดับไปเมื่อเหตุไม่มีทำทั้งหลายก็ไม่เกิด เทศนาเท่านั้นความทราบซึ้งถึงในจิตใจของพุทธาธิบุตรปรีพการชกเพื่อขาเป็นปริพาชกที่เรียกว่าทราบซึ้งถึงจิตถึงใจ จ, จริงๆจนได้สำเร็จโนดาปัส แต่ว่าภาษาริบุตรยังมีสหายอยีกคนหนึ่งเรียกว่าโมันลาน่ะคือโมันลานั่นเองทั้งสองสหายคิดกันแล้วว่าจากจักแสวงหาโมกะธรรมถ้าใครรู้เห็นโมกะธรรมนะจงบอกเล่าสู่กันฟัง ท่านกลับไปยังไปเล่าก็โมันลาฟังโมฆะลาก็ได้ความเงื่อนใส่แต่ไม่ถึงกับพระเป็นพระโซดาบันในเบื้องตน้นอธิบายสู่การฟังต่อมาอย่างไรสำเร็จเป็นพระไอเป็นโซดดาบันบุคคล นี่ละธรรมะอันย่อนย่อที่พระสารีบุตรท่านเป็นปริภาเช่าคือท่านได้ฟังอย่างนี้โมฆะธรรมแต่ก่อนแต่เก่าก็เคยมีมาใครก็อยากแกพ้นคือโมกะธรรมคือธรรมันพ้นจากความเกิดแก่ที่ตายยังไม่มีพระพุทธเจ้าตัพ ร, รู้เกินมา เขาจะพูดกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็คนก็แสวงหาโมกะธรรมอย่างนั้นตลอดกลาลมาสมัยนี้ไม่ได้เรียกว่าโมกะธรรมแล้วเขาเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าถึงพระนิพพานในะใครก็อยากจะเห็นอยากจะถึง พูดทังทั่วบ้านทั่วเมืองแต่คนแสวงหาโมกะธรรมคือปณิพานะน้อยไปไเกือบจะไม่มีเชเลยโมกะธรรมเป็นของเก่าของแก่แสวงหายอย่างนั้นแต่ไม่เจอสักที่คราวนี้ยู้ใจเจ้ามาเจอจะเรียกว่าปณิพาน แต่คนที่จะแสวงหาวัฏธรรมนน้อยนะักเกือบจะไม่มีเลยกว่าไดคราวนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยถ้าเหตุนันน้นดับไปปัจจัยนั้นดับไปก็ไม่ปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเราทุกคนนี่แหละ มีตัวมีตนขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วมีธรรมะครบบริบูรณ์ทุกคนคือธาตุสี่ที่น้ำไปลงให้เกิดเป็นตัวขึ้นมาธาตุสี่ที่น้ำไปลงมาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมาเอาเพียงแค่นี้เท่ก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่อง นามธรรมท่านพูดเขาไปเลือกเขาแปก็ น, น่าหนาไอ้กรรมมาพิชังตัณหาที่ในหางอาวิชชาเหิดต่างกรรมหนึ่งอวิชชาหนึ่งกรรมมาพิชังตัณหาหนึ่งเป็นเหตุให้ใหมาเกิด วิชาตัญหาประธานกรรมอกรร ม, มเป็นเหตมาเกิดถ้าพูดเข้าไปถึงนั้นแต่ว่าพูดเอาตอนนี้เสียก่อนว่าปัจจัยคือว่าธาตุสี่ให้มาเกิดเป็นตัวเป็นทนธาตุสี่นี่แหละมาจำแนกให้เป็นอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นตาให้เป็นหูจะเป็นจมูกเิียนกายใจแล้วก็ตาหูจมูกนี่แหละสืบต่อไปติดต่อให้เกิดรูปเสียงก ล, ภภ ล, งลกิ่นรสโอสพภะธรมมลมแล้วก็อายจธนนะภายนอกภายในคือภายนอกได้ แ, แก่รูปเสียงกลิ่นรสโอสพภะธรรมลม มะไรกน้าภายในคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใหญ่มากระทบกัเข้าแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดความรู้สึกต่างๆยินดีบางยิน้ล่บางเนื้อไปยินดียินไล่ก็เฉยๆนี่แหละเหตุปัจจัยมันพัวพันเกี่ยวเนื่องกันยืดยาวไปอย่างนี้เนี่ย มนมีลูกอันนี้แล้วท่านมีรูกมีกายอ น, นี้แล้วมันเกี่ยวเนื่องกันไปยืดยาวนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยทำทั้งหลายนั้นคําว่าทำในที่นี้หมายรวมถึงยินดีเงินไล่คือสุข แลเสริญธาตุธาตุทุกอย่างนันเกิดจากนี้ทางนั้นเนี่ยเกิดจากวัตถุทั้งสองทั้งสองอันนี้กระทบกันทั้งนั้นเป็นเหตุหเกิอดอารมณ์ยืดยาวไปสุขทุกยินดียินล่ายความพอใจได้ไม่พอใจ นำมาซึ่งกองกิเลสมาเศาหมองตัวเดียวคือหัวใจสิ่งทั้งหลายนั้นมาเกิดมามาเศร้าหมองที่นี่ทั้งนั้นที่เรียกว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่วให้ทำอยากทำละเอียดทุกสิ่งทุกประการ เกิดจากใจถ้าหากมันมีใจตัวเดียวแล้วหมดเรื่องครานี้ใจมันมีนั่นทีแล้วมันยังกระทบมันยังสัมผัสมันจะเกี่ยวคล้องถึงเรื่องใจจึงเป็นเหตุให้ท่ามทั้งหลายเกิดขึ้น อาหารไม่มีใจมันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งดีและทั้งชั่วมีใจตัวนั้นเป็นคนรับรู้มีใจตัวนั้นเป็นคนเสวยแล้วครานี้ใจตัวนั้นอ่ะตั้งใจนะไว้ก่อนใจตัวกลางเราไวก่อน ท่านบอกไว้ใจเป็นกลางดีได้ชั่วหยาบได้ละเอียดถ้าใจไม่รู้มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยดีได้ชั่วหยาบได้ละเอียดบุญระบาดทั้งมดมีแต่ไหนแต่ใดมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มี พระด้จานี้พามาแล้วก็มีนี่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่ใจนั้นจะหาขโมยออกไปขโมยเอาอของท่านไปขโมยเอาอของธรรมทั้งหลายนั่นคือป่าคุณดีชั่วหยาบเหยียด เ, เอาไว้ที่ใจ เก็บมาไว้ที่ใจแล้วก็มาทุกที่ใจแั้เนี่ยคล้องไม่มีในตัวของเราไปเก็บมาไว้การงานต่างๆมีที่ไหนที่ใจมันมีไม่อยู่นอกอลูกเสียงกินรสโภชภัณฑไม่มีไม่มีที่ใจของเราต้องไปยึดมา เราไปปรุงไปแต่งขึ้นมาแล้วมาไว้ที่หัวใจของเราใจของเราก็เลยไม่เป็นใจแลครับนี่ม็เลยกลายเป็นอื่นไปเป็นกิเลสเป็นตัณหามาหน้าทิฏฐิไปใจเลยหายไปหมดตัวเป็นกลางไม่มีของเกี่ยวเนื่องกันด้วยระการอย่างนี้เ่ย มันต้องเป็นกิเลสยังค่อยเป็นกิเลสพระเดจเจ้าเทศนา้าตีที่น่ำไฟลมของตนและของคนอื่นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เข้ยอย่าไปยึดอย่าไปน่วงอย่าไปถือเอาของใครของมันอยู่ตามเรื่อง มันก็ไม่ได้เรียกร้องหาเราหรอกไม่ได้พูดได้จาเลยไม่ได้เรียกได้ร้องอะไรแต่เรานี่หาเขาไปขโมยออามาตังหาเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยจิงทั้งหลายทั้งปดมดไม่รู้สึกซ้าไม่ทราบว่าขโมยไปได้เมื่อไหร่แล้วคนขโมยยังเรียกว่าคนไม่มีศีล ไม่มีธรรมเมื่อมีศีลมีธรรมก็ไม่มีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นให้พากันสังวนสำรวมตัวเดียวนี่แหละคือตัวใจนี่แหละนี่ให้เกิดเป็นขี้ขโมยขึ้นมาขี้ขโมยและบ้านเมืองก็วุ่นวายอย่างนี้แหละ ตัวของเราก็าวุ่นวายนี่แหละคนอื่นก็วุ่นวายพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าซีนั้นคือปกติกายวาจาใจปกติใจด้วยไม่ใช่ปกติกายวาจาปกติจริงๆไม่ให้ไปขโมยของใคร ต่างคนต่างอยู่สงบเรียบร้อยทุกอย่างสิ่มีแล้วแต่ให้ ม, ม่ทินแน่วแน่คือสิ่งปกติเล้ก่อนใจของเราปกติเลยก่อน้ายวาจา ก, ป ก, ก็ปกติไล้ก่อนปกติเราจะนกดูแลรับสิ่งทั้งหลายจะภาพมดดินน้ำไฟลมจะภาพเป็นอยู่อย่างนั้น เห็นสภาพตามเป็นจริงเมื่อศีนไม่มีมันจะเห็นจริงได้อย่างไรไม่ปกติมันก็ไม่เห็นคง้องกันไั้นทีไม่เห็นตามเปจริงได้อย่างไรเพราะนัทุกๆคนจงพานสังวรถ้าต้องการอยากจะถึงมีโมกคือพนจากทุกข์ไปแก่ปณิพนัน จงสังวรนระวังอย่าให้เป็นที้ขโมยได้ฝึกหัดกบลมอย่างนี้แหละจะถึงหรือไม่ถึงก็ขอให้รู้ตัวของเราบริสุทธ์ก็ไม่บริสุทธ์รู้ในใจของเราก็จะเป็นหนทางให้ถึงที่ทุกทุกได้ในวันหนึ่งข้างหน้า ครับน่ะคิดดีคิดเชื่อคิดยาบที่ละเอียดเห็นตัวมันมันก็ควายนี่นยนะมันก็ควายลงทุ่งกว่านี้ตัวโครโรโครโรเัมือนกั น, นมันก็ยังค่อยเจ็ต้อนมันมาได้เมื่อเห็นมันก็แล้วทั้นนั้นเนี่ยแจกว่าไปสไหด เกิดมาบวเห็นใจเจ้าของก็ได้ชื่อว่าบวเห็นตัวของตนในเกิดมาเสียชาติได้เสทีั้อายุตั้งสามชีสี่ทิศทีห้าิี่เก็บเห็นยึดเสือแล้วก็เป็นเียงตัวเป็นเนียงกับวจักตัเงินเดียวนี่บวคือต่กรว น, นวินวนไ้วใการทำมาหากินแย่งชิงกันแต่หาอยู่หกิน เราก็เห็นใจเจ้าของมีเวลาน้อยในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จะหาจิมันนี้มีโอกาสดีวันพระเจ็ดวันนี้ค่อยได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศได้มาทําุญไดมาหัดภาวนาสมาธิวันหนึ่งก็ยังดีที่สุดท่านเทศนาไว้ว่า ทานจังร้อยครั้งกันทีก็ไม่เท่ารักษาศีลเทหนึง่งรักษาศีลมันรักษากายวาจาใจมันทั้รวมหนึ่งทานมันจะได้สํารวมกายวาจาใจอย่งรักษาศีลจังรอยครั้งกันทีก็พอเท่าภาวนาเท่านึงเพราะนาเนี่รวมใจได้นี่ดูจักใจตนอยู่ไม่อยู่ ร้อยไอเพราะว่านายร้อยครั้งวันทีก็าบอกเขาคิดเป็นสมาธิคน ห, หนึ่งมันคิดเป็นสมาธิแน่วแน่แนแมันแตกกระจายความรู้นั้นก ว, าวา้วางกวงมองเห็นง่ายสบายคือสมาธินั่งอยู่ตัวเห็นได้นอนเกอเห็นได้ยืนเดินก็เห็ดได้ แล้วก็ได้อันนี้สมงมากการทำฐานต้องเลี้ยงหาวัตถุฐานเนก็มาทำฐานไม่ขาวสาธิตหรือไม่แจ้งเข้าไปนั้นกเก็บพักเก็บไห้มาทำแล้วยังค่อยได้ทำถานฐานเพื่อวันทีก็ะบวมีพราก็ต้อง อาจทานไปไม่ได้ทานทุกวันก็นยากอยู่พระสมบูรณบุบุญนี่เองน่าหวดีนว่าทานถ้าร้อยค้าพันข้งมมันก็นไป่เท่ารักษาศีลรักษาสิตดีไม่ได้ชักชวนคนอื่นไม่ได้ไปทำงานนี้ทอดเท่าปล่อยวางภาระธุลาเลยก็ นักษาศีนสงบอยู่นักษาศีนคือทำความสงบกายว่ า, ายใจนีรักษาศี น, น่เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งการทำมาให้ขิ้นมันก็ไม่พอลำบากเลยนะกในการรักษาศีนด้กลางคืนก็ได้ กลางวันเนี่ยค่อยไปหาทั่นั่นก็เรียวกว่ารักษาสิ่ง่ายเข้าไปอีก ท, ทําสมาธิยิ่งง่ายมากเอาเวลาได้ก็ได้กลางคืนกลางวันได้ทั้งนั้นทํางานทําการได้ก็ได้ไม่ได้อย่างไทงทํางานดีกว่ให้ทํำภาวนาให้ทําสมาธิเป็นไปก่อนเนี่ยค่อยนัย่งค่อยรู้จัก มาทำสมาธิได้ยังไงให้พูดแล้วฟังก็ไม่เข้าใจมาทำสมาธิเป็นแล้วมันรู้หรอกทำการทํางานแล้วก็เป็นภาวนาอ ย, ยู่ตลอดเวลาล้วมันดียังไงกันนี่มันดีมีอันนี้สรงยังไง ทานจิตใจเบิกบานของใสคนทำบุญทำทานที่แก่เบิกบานได้คิดถึงว่าทานที่ตนไทยไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นทำคนอื่นให้ได้รับผลประโยชน์ของเราเราก็อิ่มใจดีใจนีของอะไรกค่กินอย่างเดียวแล้ว ไม่ได้ทําทานนั้นก็หมดไปชิมเพืองไปคณะทําทานได้คือว่าแบ่งไว้แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้หมดไปคือได้ทําทานถ้าหากพูดถึงอ น, นิสงส์เราแบ่งกินดแดกับแบ่งทานแล้วแดคือแบ่งไว้ไว้ข้างหน้าแดกในครบหน้าขาดหน้าคุณแดก ในชาตินี้พบนี้ก็กินซะมันจําเป็นเกิดขึ้นมากินชาติหน้าพบหน้าต่อไปเอานั้นเนี่ยเอาผลทานนั่นแหะไว้มันก็ดีใจอีกมใจพอใจนั่นน่ะคือบุญคือความอิ่มใจพอใจนั่นแหละมัเป็นตนเป็นตัวย่างดอก บ, บุญตัวท่อตัวตัวของเรานี่แหละใหญ่น้อยแต่เท่าตัวของเราเนี่ยนะ การรักษาศีลมีประโยชน์อย่างไรคือเราเว้นอจากความชั่วเมื่อกายวาจากจ็บนะครับนี่ผมได้ทำชั่วด้วยหละศีนหาคอเว้นจากความชั่วหาประการศีนดันให้งดซะอย่าพูดทั้งเรื่องศีนมันยาวนื่มันยาวไป คืองดจากวามชั่วความชั่วที่จะต้องทำหรือทําอยู่ก็ตามเรางดเว้นมันก็ลดเข้ามาแล้วครับความชั่วไม่ทําไม่ยืดยาวไปขาสัดรักทรัพย์ประพฤติผิดในช้าจางขาดของของวุตราว่าเดื่มพิราไมไดความชั่วทั้งหลายเหล่านี้งดเว้นได้ชื่อว่า ท่านเรียกว่าให้อภัยก็านกินทานในตัวด้วยบุคคลศาสตร์ได้เชื่อว่าให้อภัยเขาให้ชีวิตก็เป็นทานชีวิตบุรุษทรัพย์ได้เชื่อว่าให้อภัยให้อภัยแก่เขาทัพย์ที่เราจะควรรักบุรุษ ก, ก็ให้อภัยเขาเราก็มีศชินก็ให้อภัยพระด้วยเป็นประโยชน์แก่เขาแก่เรา ในพืชผิดม่ช้าจางกล่าวะองหัววาตวดึงสรุราไมีไรให้อภัยทานการที่สระได้อย่างอธิบายฟังเคยอธิบายฟังสินหาขอรักษาไว้ชั้ตัวหนึ่งเถิดมันเห็นไปอยู่ คุณค่าของการรักษาสิยนข้อหนึ่งแล้วมันทังชอบใจพอใจรักษาสิยนข้อต่อไปพอสองข้อสามพอ4ีข้อห้ากา ร, รกำหนดเอาให้มันได้อย่างบบได้แับปีหนึ่งข้อหนึ่งไป หาปีก็หา่อครบบริบูรณ์สินหาหาปีกาว่ามันรักษายากเราหาปีหาคอมันเนีมันไม่ได้สักทีนะตั้งถึงวันตายมันก็ตั้งหกสิบเจ็ดสิบวันก็ไม่ได้ไม่ครบบริบูรณ์สักทีรักษาศิล มันจะกินเนี่ยงเราจะได้อยู่ได้กินเนี่ยว่าหาสิ่กินได้กินบ่ว่าข้าสารจะได้กินกบ่หมรักรัพย์มัอลักเขากินมันจะเป็นประโยชน์เี่ยงมันเดือดร้อนใจเจ้าของน่ะวะเพื่อชิดนใช้จานกราบของสวาร์ทล้นวนเลยเป็นเครื่องเดือดร้อนแล้วนั่นขาสาร ก, ก็มันมีอย่างขา้าวซึ่งวันนี้สารใน่ตายโดงกับมดแอ่ะในน้ําใน น้องนั้นก็หมดอะคนเงี้ยวคนไทยใหญ่เขาบอได้ค่าส์กินมันก็อยู่ได้หรอเขาบอกค่าสาธาร น, นั้นเขาก็อยู่ได้ผู้ดมสมบูรณ์ร่างกายความสมบูรณ์หมดทกอย่างพวกเรานี่ยินทใดหากหาสัตห์หากูหาปลากินยิ่งมีแต่โลกแต่ภัย ขาหลายๆกินฟ้ามากเลยพร้อมสูบสิ่มีทคโนโลยียอมีเทคตัตืดคนจังหวัดเลยแต่ก่อนเขาหาขากินไม่ได้